ถ้าให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งในสองข้อนี้นะเราจะเลือกอะไรอันแรกคือว่าทำงานล้างจานกวาดบ้านถูพื้นเจ็ดชั่วโมงข้อสองทำงานอย่างเดียวกันแต่ว่านานแปดชั่วโมงจะเลือกข้อไหนฮะ คนส่วนใหญ่เลือกข้อแรกนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่สมมุติว่าจะต้องล้างจานกวาดบ้านถูพื้นวันนี้เลยจะชั่วโมงหรือว่าทำอาทิตย์หน้าแต่แปดชั่วโมงจะเลือกอะไรนะคนส่วนใหญ่เลือกอะไรรู้ไหม เลือกข้อสองคือถ้าทำถ้าทาวันนี้เลยนะเจ็ดชั่วโมงฉันไม่เอาฉันขอเลือกอาทิตย์หน้าดีกว่าถึงแม้ว่าจะทำแ8ดชั่วโมงทั้งทั้งที่เมื่อกี้นี่ก็บอกว่าเจ็ดชั่วโมงดีกว่าแดชั่วโมงแต่ถ้าทำเดี๋ยวนี้เลยนี่ไม่เอาเจ็ดชั่วโมงไปทำาปดชั่วโมงถ้าเกิดเป็นอาทิตย์หน้าดีกว่า อันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะว่าความทุกข์ที่อยู่ข้างหน้านี่หรือความทุกข์ในขณะนี้นี่มันดูหนักหนาสาหัสมากกว่าส่วนความทุกข์ในอนาคตนี่เราจะรู้สึกว่ามันจิ๊บจ้อยกว่าถ้าให้ทาเดี๋ยวนี้เจ็ชั่วโมงฉันไม่ทําอยากจะเลื่อนอยากจะผัดนะส่วน อาทิตย์หน้าต้องทำงานแปดชั่วโมงหนักกว่าก็จริงแต่มันเป็นความทุกข์ในวันข้างหน้าเป็นความลำบากในวันข้างหน้าก็ถือว่าเราจะรู้สึกว่ามันจิ๊บจ้อยกว่าคนเราเนี่ยมักจะพยายามเราจะพยายามหนีความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์ในวันนี้แล้วก็ผัดผ่อนไปวันข้างหน้า จากที้เอาใหม่นะไม่ใช่เรื่องเรื่องการทํางานแล้วเป็นเรื่องการได้เช่นได้เงินได้เงินสิบบาทกับได้เงินสิบาทนี่จะเอาอะไรนะคนส่วนใหญ่กบอกว่าเอาสิบเอ็ดบาทเลนะแต่สมมุติว่าถ้าวันนี้ได้สิบบาทแต่ถ้ารอไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้สิบเ็ดบาทนี่จะเอาข้อไหน <c oughs> ส่วนใหญ่เอาข้อแรกนะเอาเดี๋ยวนี้เลยสิบาท เราสึกว่าหนึ่งบาทที่เพิ่มขึ้นในอาทิตย์หน้านี่มันจิ๊บจอยเอาเปลี่ยนหมายเอาว่าร้อยบาทถ้าได้วันนี้ถ้าเอาวันนี้ได้ร้อยบาทแต่ถ้าเอาอาทิตย์หน้าได้ร้อยสิบจะเอาอะไรแม่เพียนเอาอะไรฮะถ้าวันนี้เนี่ยได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาวันนี้ไปเอาวันอาทิตย์หน้านี่ได้ร้อยสิบคนส่วนใหญ่เลือกอะไรเลือก เอาวันนี้เลยเอา้าวถ้ารออีกอาทิตย์หน้าร้0ยสิบน่ได้เพิ่มไปสิบบาทเป็นยังบอบท่าบ่รออันนี้ก็เหมือนกันนะคืออะไรที่มันได้เร็วๆนี่เราเอาก่อนถึงแม้ว่าจะได้น้อยกว่าแต่ถ้ารอไปสักหน่อยได้มากกว่านี่เรา ก็รู้นะว่ามากนี่มันดีกว่าน้อยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องอนาคตไงต้องรอเราก็จะไม่รออันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่พูดเมื่อวานว่าทำไมนะคนเราทำไมลิงเนี่ยถึงเลือกนะทำไมคนเราถึงอยากจะสบายวันนี้ถึ ง, ถ ง, ท, งทั้งที่รู้ว่าวันหน้าจะลำบาก มีคนส่วนน้อยที่ยอมลำบากวันนี้เพื่อที่สบายวันหน้าหรือมีคนส่วนน้อยที่วันนี้ยอมอดเพื่อที่วันหน้าจะได้เพิ่มขึ้นแต่คนส่วนใหญ่นี่เขาจะอยากจะได้อะไรที่มันไวๆหรืออยากได้ความสุขวันนี้เลยจะไม่รอความสุขวันหน้าได้ร้อยบาทเขาเอาจะไม่รอ ที่จะได้ร้อยสิบในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือว่านานกว่านั้นาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลหรือว่าใช้ปัญญาเราใช้ความรู้สึกนะแล้วมันก็น่าคิดนะถ้าเป็นเรื่องการทํางานเนี่ยเรายอมทํางานมากขึ้นถ้าหากว่า ไม่ต้องทำวันนี้แต่ไปทำอาทิตย์หน้าแต่ถ้าเป็นเรื่องการได้การเสบนี่เราขอเดี๋ยวนี้เลยทั้งทั้งที่ถ้ารออีกหน่อยเราจะได้มากกว่าเขาเคยมีการทดลองเอาเด็กเนี่ยสี่ขวบเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วนะในประเทศอเมริกาเป็นการทดลองที่มีชื่อมาก เคยเล่าให้ฟังบ้างแล้วเอาเด็กห้อหกร้อยคนแต่ไม่ใช่ทําทีเดียวพร้อมกันนะอาจจะทําทีละสิบยี่สิบคนพาเด็กมาเข้ามาในห้องแล้วก็ในห้องนี้ก็มีขนมขนมที่เด็กชอบกินแล้วก็บอกเด็กว่าขนมนี้กินได้คนละชิ้นนะแต่ถ้ารอสิบห้านาทีจะได้กินชิ้นที่สองนะ ถ้าไม่ถ้าไม่ไมไมไ ม, ไมกินเดี๋ยวนี้นะรอไป15บนาทีจะได้กินสองชิ้นถ้าคิดด้วยเหตุผลเนี่ยกินสองชิ้นก็ต้องดีกว่ากินหนึ่งชิ้นแต่ว่าเด็กเนี่ยพอเจอขนมอยู่ข้างหน้านี่เขาจะเลือกอะไรระหว่างกินเดี๋ยวนี้เลยหรือว่ารอ สิ้านาทีแล้วได้กินสองชิ้นถ้ากินเดี๋ยวนี้ก็ได้กินชิ้นเดียวส่วนใหญ่เลือกข้อแรกก็คือกินเดี๋ยวนี้เลยจะมีเด็กหนึ่งในสามที่จะรอไอ้ตอนร อ, อนี่มันก็ทุกนะแล้วเด็กทำยังไงเขาก็สังเกตเด็กบางคนก็หันหลังไม่ดูขนม เด็กบางคนก็เอาเท้าเตะขาโตะนะเพื่อจะได้เบี่ยงเบียนความสนใจเด็กก็จะมีวิธีนะในการที่จะระงับความอยากเพราะเด็กเขารู้ว่าถ้ารออีก1ิรอ15นาทีเขาจะได้กินสองชิ้นเด็กจำนวนนี้เป็นจำนวนน้อยที่จะพยายามมาทางระงับความอยาก พราะรู้ว่ารอสักหน่อยจะได้กินสองชิ้นแต่เด็กส่วนใหญ่สองในสามไม่รอเพราะว่าความอยากมันมากจนคุมไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็ตามไปนะเด็กที่พยายามห้ามหักห้ามใจพราะรู้ว่าสองมันดีกว่าหนึ่งก็ก็ตามไปจนกทั่งเด็กเรียนเข้ามาัธเรียนมัธยม เลนเหมหาเทเลไรก็เพราะว่าเด็กที่สามารถที่จะระ ง, งับความอยากรู้จักอดทนเนี่ยควบคุมจิตใจตัวเองได้การเรียนก็จะดีเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเรียนหนังสือผลสอบก็ดีแล้วก็นิสัยความประพฤติก็ดีก็คือว่าไม่ไม่เที่ยวเต่ไม่ ไม่หมกบุญกับพวกอบายมุกนะขณะที่เด็กที่คุมตัวเองไม่ได้กินเดี๋ยวนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่การเรียนไม่เคยดีเท่าไหร่หรือว่าพอประมาณพอปานกลางแล้วก็ชอบเที่ยวชอบเล่นนะโตขึ้นทํางานทําการหรือว่าเข้าวหมาทยาลัยก็ปรากฏว่า เด็กที่อดลนทนไม่ได้พวกนี้นะก็จะเป็นคนที่อาจะติดเหล้าติดบุหรี่นะแล้วก็อ้วนด้วยอ้วนเพราะว่ามันควบคุมความอยากไม่ได้การเลี้ยงก็ไม่ค่อยดีขณะที่เด็กที่เขาอดทนนะ พอโตขึ้นแล้วนะก็ได้งานการที่ดีแล้วก็มีการดําเนินชีวิตที่เรียกว่ า, อ, าอยู่ในล่องในลอยลเขาตามนะตอนนี้เขายังตามอยู่เลยนะแล้วเขาพบว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่สมองของเด็ก2กลุ่มคือพอโตขึ้นแล้วในข้อเขาก็มีเครื่องเครื่องตรวจสมอง ก็พรว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่สมองของคนสองกลุ่มนี้สมองส่วนที่ใช้เหตุผลกับสมองส่วนที่ใช้อารมณ์นั้นเด็กเนี่ยที่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะไม่ทำตามความอยากแต่ว่าใช้เหตุใช้ผลหรือว่าใช้ปัญญาเขาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่พูดนะถ้าถ้าเป็นเรื่องการทํางานนี่ยอมที่จะทํางานหนักกว่าเดิมถ้าไม่ต้องทําวันนี้คือทําอาทิตย์หน้าคนฉลาดนี่เขาจะทำวันนี้เลยเพราะเขารู้ว่าทําวันนี้ทําน้อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่าแต่คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนไม่ฉลาดก็จะเลือกทําวันอาทิตย์หน้า เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะทำมากกว่าก็ตามก็คือเป็นคนที่เรียกว่าชอบเลี่ยงนะชอบหนีปัญหาหรือว่าพยายามผัดผ่อนอยู่เรื่อยถ้าเป็นเรื่องการทำงานนี่ผัดผรอนนะแต่ถ้าเป็นเรื่องกินเรื่องได้เรื่องเซฟนี่ทันทีเลยทั้งทงที่ถ้ารอหน่อยจะได้มากกว่าเดิมนะรอไม่เป็นคนที่รอไม่เป็นเนี่ยจะมีนิสัยชอบผัดผ่อนดูมันตรงข้ามนะ คนที่ลอไม่เป็นเนี่ยจะมีนิสัยชอบผัดผ่อนนะคนที่ไม่ค่อยผัดผ่อนเนี่ยจะมีนิสัยที่รอเป็นน่าดูมันแปลกดีนะคนที่ผัดผ่อนก็คือผัดผ่อนเรื่องที่มันต้องเหนื่อยต้องยากเรื่องที่มันลําบากจะผัดพรไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวเรื่องปฏิบัติธรรมด้วยก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆนะเอาไว้เอาไว้ปีใหม่ก็แล้วกันนะพอถึงปีใหม่ก็ผัดไปอีกนะ เอาไว้เข้าพรรษาก็แล้วกันนะล้วคนพวกนี้เนี่ยจะเป็นเพศรอไม่เป็นถ้ามีอะไรที่มันดึงดูดจิตใจข้างหน้าเช่นอาหารหรือว่าอบายามุกหรือว่าผู้หญิงแพศตรงข้ามเวลาไปไปห้างเนี่ยก็จะนะรีบควักเงินซื้อทันทีถ้าเจออะไรถูกใจไม่มีเงินก็รุดบัตรแล้วพวกนี้ก็เดือดร้อนในภายภาคหน้า บางทีก็รู้นะว่าจะต้องเป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าความทุกข์ในอนาคตแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไอเรื่องหนี้สินนี่เอาไว้จ่ายวันหน้าเป็นความทุกข์เป็นภาระในอนาคตจิ๊บจ้อยฉันขอเอาความสุขวันนี้ฉันขอสุขสบายวันนี้พวกนี้ก็เลยเป็นประเภทรอไม่เป็นอดทนไม่ไหวส่วนคนที่ผัดผ่อนไม่เป็นหรือไม่ชอบผัดผ่อนนี่ มีงานยากเป็นงานการก็ดีเป็นเรื่องปฏิบัติทําก็ดีไม่ผัดผ่อนทำเลยถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการอดทนรอคอยได้แล้วเมื่ออดทนรอคอยได้เนี่ยก็ทำให้นะเขาจะประสบความเจริญได้ง่ายนะแล้วก็ไม่เจอความทุกข์ไอ้คนที่ผัดผ่อนเป็นประจำนี่ต้องเจอความทุกข์ เพราะว่าไปคิดว่าตายเอาดาับหน้าก็แล้วกันนะพอคนที่คิดว่าตายดับหน้านี่มันตายจริงๆนะพอเจอของหนักนะเหมือนกับเด็กที่ขยันเรียนนะเขาไม่ยอมทำการบ้านมีการบ้านนี่กลับมาถึงโรงเรียนทำการบ้านเลยไม่ผัดผ่อนไปตอนเย็นตอนค่ำหรือไม่พัดผ่อนไปวันรุ่งขึ้นคนที่การบ้านมีผัดผ่อนไป พวกนี้นี่อนาคตจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะเพราะว่ามันพ่ายแพ้แต่อกิเลสหรือใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ปัญญา